ตอนปีสี่เนี่ยมันจะเรียกเวลาลเวลาก่อนลุ่งแางมันไม่ใช่เวลาธรรมดามันเป็นเวลาที่สัตว์ต่างๆเนี่ยก็ค่อยหลับไหลอยู่อย่างกันเรียกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยมันหลับไหลอยู่เพราะมันหลับไหลอยู่เนี่ยสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเป็น energy ของความสงบจิตเราเนี่ยมันก็สงบง่ายๆมันจะเข้าสู่ความเป็นปกติ ง, ง่ายๆ นี่คือในแง่ของสิ่งแวดลอ้อมแต่ในแง่ของตัวเราเองนี่ยิ่งเราตื่นเช้าเท่าไหร่เนี่ยจิตใจเนี่ยมันจะไม่มีความกังวลไปถึงอนาคตอีกไม่กี่ชั่วโมงว่าเดี๋ยวจะต้องไปทํานี่ต้องต้องไปทํานั่นมันจะไกลจากปันเยอะเราเลยยังไม่ต้องกังวลจิตนี่มันจะไม่ค่อยกังวลแต่ถ้าเราตื่นปุบ๊บสมมติเช่น6กโมงถึงเวลาที่บางทีเราต้องไปทํำนูน่นทํานี่แล้วตีห้าสี่้าเราเริ่มกังวลแล้เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ย ว, เ, ยวเสร็จนี่จะไปทํานี่ทําู่น มันจะเกิดความกังวลขึ้นแต่ถ้าเราตีสี่ถึงตีห้าตีห้าถึง6กโมงยังไม่มีอะไรยังยังไม่ต้องเปกังวลอะไรยังเหลือเวลาเยอะเพราะฉะนั้นชั่วโมงหนึ่งนี่มันจะเต็มเต็มมันจะไม่มีความกังวลด้วยอันนี้เป็นแง่ของตัวเราเองเพราะฉะนั้นทั้งสองแง่นี้ผนวกกันปุ๊บเราได้รับประสิทธิภาพร้อยเปอร์ซมันเลยเป็นเวลาที่ดีถ้าเราทําได้มันเลยเป็นเวลาที่ดี การสวดมนต์นี้เป็นอุบายเหมือนกันที่จะทําให้จิตใจเนี่ยรวมลงสู่ความเป็นปกติผมเคยอธิบายแบบนี้กับหลายคนว่าที่ผมพูดปกติปกติปกติกตบ่อยๆเนี่ยพูดบ่อยเพราะมันสําคัญมากเราลองไปดูเถอะว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราดูชีวิตประจําวันของเรากันเองนี่ก็ได้เรานี่ตั้งแต่เด็กมาใช่ไหมเด็กนี่มันเดินชนโต๊ะเปรี้ยงร้องไห้ใช่ไหม แม่ก็ตีโตบอกว่านี่แม่ตีให้เราใช่ไหมเด็กมันก็ดีใจใช่ไหมทำไมแม่ต้องทำอย่างนั้นเพราะอยากให้ลูกกลับมาเป็นปกติอยากให้ลูกหยุดร้องไห้คือจิตใจกลับไปปกติเวลาเพื่อนเราอกหกักเพื่อนเราเสียใจเราก็เข้าไปปลอบใจมันใช่ไหมพูดโน่นพูดนี่พูดนั่นสารพัดสารเพหาคําพูดมากมายมาเราทําทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อให้มันปกติเราอยู่ในโลกเรารู้สึกทุกข์ เราอ จ, จะหาความสงบติดสงบใจบ้างก็ไปอ่านหนังสือธรรมะแล้วเราก็ปกติขึ้นใช่ไหม <_ letter> เหล่านี้ทั้งหมดที่เรากลังทำอยู่ <_ letter> เพื่อเราจะได้กลับเป็นปกติ <_ letter> แล้วเราจะรู้สึกมีความสุขเ <_ letter> พราะฉะนั้นพอยคือไม่ใช่ความสุข <_ letter> พอยคืออะไร <_ letter> ความปกติ<_ letter> <_ letter> พวกเราทำทุกอย่างตั้งแต่เด็กจนโตจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเพื่อจะได้รับความเป็นปกตินี่แหละแล้วเราจะได้มีความสุขแต่เราไม่รู้เราไม่ได้สนใจมัน แม้กระทั่งคำสอนอนิจังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าสอนสิ่งเหล่านี้ให้คนเข้าใจว่าโลกเป็นแบบนี้โลกนี่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ว่าธรรมชาติเป็นแบบนั้นเราจะได้ปล่อยวางให้รู้ว่าเราทําอะไรไม่ได้มันเป็นแบบนี้ถ้าเราอยู่ในโลกพอคนไปศึกษาคนไปฟังเรื่องแบบนี้คนเขาก็เป็นไงโปรงลงใช่ไหมคนทุกข์อยู่ก็เริ่มโปรงใช่ไหม พอเราเข้าใจว่าอ๋อพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาของโลกเนี่ยท่านบอกไว้แบบนี้เราก็เริ่มีย่ยอมรับความจริงใช่ไหมเรายอมรับความจริงแล้วเราก็เป็นไงปกติใช่ไหมเพราะฉะนั้นคําสอนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคําสอนแนวจิตวิทยาที่ว่าให้มองโลกแง่ดีแม้ทั้งคำสอนไตรลักษณ์มันรวมลงไปที่อะไรให้ทุกคนกลับมาสู่ความเป็นปกติแล้วเราจะได้มีความสุข แต่การที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นปกติโดยสมบูรณ์ร0อยเปอร์เซนไม่ก็เพื่อมันไหวอีกแล้วเพราะพระเจ้ามีทางที่จะบอกให้เราทำบอกให้เราเดินตามแต่เราไม่สนใจสิ่งที่เราควาหามาทั้งชีวิตเนี่ยมันมีแค่นี้ไงอถ้าโลกนี้เข้าใจแบบนี้ก็ไม่ต้องมีใครทะเลาะกันแล้วนักปฏิบัติก็ไม่ต้องทุกข์แล้วผมเห็นนักปฏิบัติเยอะแยะทุกข์ปฏิบัติไปก็ทุกข์ ทุกเรื่อยทุกไม่หยุดเลยก็เป็นปฏิบัติไม่ถูกมันไม่เข้าใจว่าปฏิบัติไปเพื่ออะไรเป้าหมายงานปฏิบัติเราคืออะไรเราต้องเห็นอะไรเราต้องรู้อะไรเราต้องรู้จักอะไรกันแน่เรามเดลไปสร้างอย่างงูอย่างนี้อย่างนั้นขึ้นมาเรากำลังสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาตลอดเราไม่ได้เห็นเฉยเฉยไม่ได้ค้นพบความจริงเรากำลังสร้างตัวตนใหม่ตัวตนของนักปฏิบัติตัวตนของคนที่ต้องดู ขึมดูเป็นมือผูบทำา็ได้ดูเป็นนักปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นในเวลาที่เราไม่สบายมากๆเนี่ยแล้วเราจะปฏิบัติธรรมยังไงเนี่ยในความเป็นจริงแล้วที่ผมบอกว่านาทีทองของนักปฏิบัติธรรมใช่หมคือเวลาที่เราปกติอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ช่วงเวลานี้เนี่ยฝึกปฏิบัติธรรมฝึกให้เห็นความเป็นปกตินี้ไว้เนี่ย จนวันหนึ่งเนี่ยความเป็นปกติเนี่ยมันเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานของจิตใจเนี่ยแล้วเมื่อความทุกข์มันเข้ามาจิตใจเนี่ยมันก็ยังเป็นปกติอยู่มันมีความทุกข์แต่ว่าจิตใจนี้ไม่มีปัญหาไม่ผิดปกติแม้ว่าร่างากายนี้จะเป็นทุกข์ก็าตามคนเราเนี่ยจะไปทําทางสายกลางเลยมันทําไม่ได้ สายกลางมันเกิดขึ้นจากที่เราไปซ้ายหน่อยไปขวาเยอะมันค่อยๆปรับเองจนมันไาอยู่ตรงกลางความที่มันอยู่ตรงกลางนี่คือมันเป็นเองแล้วมันกลางได้เพราะอะไรกลางคือไม่ได้ทำอะไรถ้ามันยังมีทำอะไรหน่อยก็แปลว่าอะไรมันก็เลยยังเหลือเพ่งนิดนึงมันยังเหลืออะไรหน่อยนึงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันยังไม่กลางพอดีแต่พอมันเป็นเองปุ๊บ ทำว่าเป็นเองคืออะไรมันออโต้ออโต้คือไม่มีการกระทําไม่มีการกระทํามันก็ต้องอยู่ตรงกลางเพราะมันไม่มีเบี่ยงเบนเลยซ้ายขวาไม่มีเพราะมันไม่มีใครทำอะไรเป็นธรรมชาติแต่ในช่วงที่ยังต้องมีการทําอยู่มันก็เลยต้องมีนิดนึงนิดหน่อยคล้ายๆว่าหาสมดุลมันจะเรียนรู้มันจะหาสมดุลหนุมมันเองการปฏิบัติทำเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันไม่ได้ทําอะไรเหมือนกับที่ผมบอกว่า ถ้าเราปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆในช่วงแรกนี่เหมือนเราต้องปฏิบัติธรรมเหมือนเราจะต้องมีการทําอะไรบางอย่างเช <c oughs> ่น <c oughs> เรารู้สึกว่าเราจะต้องหมั่นคอยรู้สึกตัว <c oughs> เราจะต้องหมั่นคอยเช็คอารมณ์ว่าปกติอยู่ไหม <c oughs> เราจะต้องหมั่นคอยเดินจงกรมนั่งสมาธิ <c oughs> แต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยที่ความปกตินี้เนี่ยมันกลายเป็นเหมือน ผิวหนังเราแล้วมันเป็นเลือดเป็นเนื้อเราไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรแล้วมันเป็นเองของมันมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเวลามีการกระทบหรือมีความทุกข์อะไรเข้ามาเนี่ยจิตใจที่มันหนักแน่นเนี่ยมันเรือที่มันมีสมอเรือใหญ่ๆเมื่อก่อนเราสมอเรือเล็กๆ ล, ลมพัดมาตุ้มเรือคว่าเลยก็ <c oughs> เ, เหมือนเราเป็นทุกข์มากๆใช่ไหมเราก็ ซูไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้แต่พอเราฝึกมากมากๆมากๆเนี่ยจนทุกอย่างเป็นเองมันเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นชีวิตเราไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนว่าเรามีสมอเรือใหญ่ๆที่มันทวงเรือนี่ไว้อยู่เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรทำเรือควมม่ไำไม่ได้ทาไม่ได้เนี่ยผมถึงบอกว่าการปฏิบัติธรรม ในช่วงนาทีทองที่แต่ละคนมีอยู่เนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นมากเราต้องคว้านาทีทองนี้เอาไว้พอเราคว้านาทีทองนี้เอาไว้เนี่ยเราฝึกมันจ น, ม, น, นมันเป็นฐานน่ยจนมันเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นชีวิตเราเนี่ยแล้วความทุกข์อะไรเข้ามามันก็ทําอะไรเราไม่ได้เราไม่ต้องรู้สึกด้วยว่าเราจะต้องจัดการกับความทุกข์อะไรเพราะจริงๆแล้วมันไม่ทุกข์ร่างกายไม่สบาย แม้ว่าหน้าเราจะบูดเบี้ยวกับเวทนาทางร่างกายเนี่ยแต่จิตใจเนี่ยจิตใจเนี่ยเหมือนสมอเหลือเนี่ยมันหนักแน่นมันปกติอยู่มันไม่ทุกไปกับไอ้สภาพของร่างกายที่ต้องรับทุกขเวทนาจากโรคภัยจากอะไรก็ตามมันไม่กระเทินไปกับมันด้วยเพราะฉะนั้นคําถามว่าถ้าเราไม่สบายเราจะทํำยังไงในความเป็นจริงคือเราไม่ได้ทําอะไรเพราะว่า เรมีฐานของอันนี้แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกมาเลยเนี่ยเวลาไม่สบายเราจะทำยังไงเหมือนคนกำลังจมน้ำอะแต่ไม่เคยฝึกว่ายน้ำถามว่าจะทำอะไรได้เราทาอะไรไม่ได้ก็ไม่เคยฝึกว่ายน้ำก็ต้องจมน้ำอันนี้เป็นหลักช่มเหมือนคนที่บอกว่าเ อ, อ่อใกล้จะตายเขาบอกให้ท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไว้อะไรเงี้ยเอาจริงๆไงมัน ตอนใกล้จะตายเนี่ยมันมีปัญญาท่องคุดโถุ่ดโถุ่ทโ ถ, ถนึกถึงพระนึกถึงวัดนึกถึงบุญที่ตัวเองเคยทำเนี่ยมันทำไม่ได้อันนี้จิตก็เบลอแล้วเบลอแล้วมันคล้ายๆจิตที่ทำงานเองเลยตัวเองควบคุมอะไรไม่ได้เลยแล้วจิตถ้ามีนิสัยที่จะคิดเรื่องไม่ดีทำแต่กรรมไม่ดีทำอะไรพวก น, นี้มันก็ไปตามฟโฟลของกระแสนั้นเลย มันจะให้มาแหม่ก่อนตายจะพุโทโธคิดถึงพระอรหันต์มันเป็นไปไม่ได้มันจะโดนความมืดได้ลากไปเลยตามกรรมที่เองเคยทํามาเคยสะสมมาอันนี้เป็นธรรมชาติธรรมชาติเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราสะสมแต่ปัญญาสะสมแต่ความว่างความเป็นปกตินี้ไว้จิตมันก็นก็เป็นปกติอันนี้เป็นธรรมชาติเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ฝึกแล้วทุกอย่าง อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำอะไรมันเป็นเอง